มาลองตายก่อนตายลองตายก่อนตายจะมีคําถามมาบ่อยๆว่าทําไมเธอไปปฏิบัติบ่อยจังไปได้แทบทุกเดือนมีปัญหาครอบครัวอะไร แล้วก็น่าให้เขาคิดนะคะมองๆก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขสบาย ไม่ให้ทําในสิ่งที่ตนเองต้องการต้องทําทุกคุณคะตอนที่คุณเกิดมาทําไมคุณ การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันการรับวัคซีนเป็นการป้อง สำหรับฉันการอธิบายให้กับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเค้าก็ยังๆ ที่ดูมีความสุขอย่างง่ายๆของฉัน มันก็น่าพอใจแล้วนะคะสําหรับตนเองดังนั้นทั้งลูกและสามีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันจะต้องไป เป็นคนสบายเป็นคนป่วยสบายเป็นคนดีคนป่วยเป็นมาแล้วมาแล้วสารพัดตามเหตุตามปัจจัยที่เคยกระทํามาและทุกๆได้มีโอกาสที่จะ มีเพียงอย่างเดียวที่ท่านไม่มีโอกาสเป็นไม่มี ก็มาได้ข้อคิดจากการปฏิบัติธรรมว่าคนทุกคนมีเวลา สามารถที่จะใช้เวลานั้นเป็นโอกาสที่ทั้งลูกและ ว่ามีสิ่งใดที่ควรแก้ไขปรับปุงมีพอกลับมาเจอกันอีกครั้งเราก็ลักกันมากขึ้นที่ควรแก้ไขปรับปรุงและทําให้ บุญกุศลอะไรที่เรามีติดตัวไปได้บ้างมีบาปอะไร ดวงจิตเท่าๆติดตัวอันเป็นเหตุให้จะต้องมาใช้กรรมอีกอันเป็นเหตุให้จะต้องมาชายกรรม ลูกคนเล็กก็เลยพูดว่ามีไปที่ชอบที่ๆถ้าเราไม่กลัวตายนะคะเรา ที่คิดถึงความตายสบายนักต้นกําเนิดของความทุกข์ทุกชนิดคิดถึงสว่างไปสว่างคุณหรือคุณมา อุปการของคุณแม่ ดร. สิริกลิ่นชัยวิปัสสนากรรมฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือน พบทั้งปวงคล้องอยู่ทุกแห่งหนรู้รับทุกรับโทษรู้สมาธิตั้งมั่นเกิดปัญญา สุขอนันต์รีโมทชีวิตทุกท่านคงเคยร้อนอุ่นเย็น ดิฉันทุกท่านคงรู้จากอุปกรณ์ว่าทุกท่านคงรู้จักอุปกรณ์รีโมทคอนโทรลตัวนี้กันทุกๆคนแล้วนะคะๆที่สุดก็คือ การฝึกกำหนดเสมือน 6 ประตูตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เราเฝ้ากำหนดรู้ขอให้กำหนด กำลังได้ยินอะไรจิตของเราจะมีที่ปรึกษาลิ้มรสรับประทานอะไรกำลังอยากจะพูดอะไรๆนั้นอย่างมีการกั่นกรองเลือกหลงก่อนจะสั่งๆ ดิฉันจะเพียรกำหนดอริยาบถย่อยให้ทันกับการกระทำและความคิดเช่นพอได้ยินเสียงแม้จะเป็นเสียงด่าหนอ หนอนี้จะเบรกกั้นการปุงน่าสงสารนะจิตจึงเปล่งวาจาที่ไม่น่ารักออกมาจะก่อให้เกิดเป็น เพราะเราก็ไม่อยากมีกรรมการกระทําต่อเนื่องแล้วเราก็จะพบจะเจอกับ สงสารเขานะเค้านะเค้าคงทุกข์นะยิ่งถ้าคําพูดนั้นหยาบคายมากเท่าไหร่แสดงว่าเค้าจะ ปุงคำพูดโต้ตอบออกไปเมื่อมีการกระทําผูกพันว่าขี้หมามันเหม็นแล้วยังเอา ใจมันว่างวางสงบสบายถ้าเป็นรีโมทเราก็เปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่น เหมือนมีลือกั้นภัยที่จะมาปรุงแต่งที่จิตเราเราก็ไม่บันทึกไว้มันก็ผ่านผ่านแต่การที่เราจะกดเลือกปุ่มรีโมทอย่างไรได้ชํานาญนั้นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการกดปุ่มต่างๆว่าเราจะใช้อย่างไรนั่นก็คือการฝึกกําหนดรู้ให้ทันปัจจุบัน แวะเวียนเข้ามาเป็นระยะระยะบางคนก็แปลกใจทำไมกำหนดได้แต่เบื่อหนอรำคาญหนอขี้เกียจหนอฟุ้งหนอคิดถึงบ้านหนอทุกๆหนอนั่นแหละค่ะตัวตนของบ่อยๆนานๆ เรเราก็เห็นตัวตนของเราชัดขึ้นก็เห็นกินถ่ายป่วยแก่ตายชีวิตมีเพียงชีวิตนี้นี้เองเหรอแล้ว ก็เป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจะนําทุกข์จากการกระทบภายหนอหนอนั่นก็คือโมหะ โรภะโกรธโลภหลงการกําหนดรู้กายใจของตนเองปิดวาจาเฝ้า ทั้งสุขและทั้งทุกข์เราก็พิจารณาการกระทบสิ่งเร้าจาก สบายสบายมากําหนดรู้กำหนดรู้โดยมีรีโมทชีวิตที่เราเป็นผู้ถือไว้ที่จะเป็นผู้ เรเรานั่นแหละจะเหนื่อยตามไปกับบทที่เราๆให้ด้วยใจหนังสือเล่มเล็ก ที่ฉันได้รับมาจากคุณแป้นฉันได้รับมาจากคุณแป้นเพื่อนกัลยาณมิตรเจ้าเก่าสนองวรอุไรซึ่งเป็นผู้เขียนท่าน กลิ่นชัยของเรา ดร. สนองท่านเล่าให้เข้าใจได้ง่ายๆให้ข้อคิดในการที่จะใช้ และหน้าแจกเป็นธรรมทานยิ่งคือชมรมกัลยาณธรรมในหนังสือได้แนะ 2 ปีฉันเริ่มช่วยเหลือคูบาอาจารย์ในการจัดปฏิบัติธรรมเริ่ม ด้วยทุนทรัพย์ที่ขอจากสามีทุกครั้งฉันเช่นหลวงปู่จา เขา 8 วัน 7 คืนแล้วเขาๆที่จะที่ได้รับไปเขานําไปต่อยอดๆฉันให้คน จนถึงคลินิกทันตกรรมอัจฉราทันตแพทย์อันเป็นห้องแถวเล็กๆไม่หรูหราอะไรฉันไปๆเค้าก็ๆไป ขณะมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งรอเธอเดินออกมาถามว่าหญิงคนเสียงเล็กนั้นอ่อนโยนประกอบด้วยสายตาและรอยยิ้มที่นุ่มนวนยาวนั่นเป็นการพบกันครั้งแรกไว้อย่าง เราได้พูดคุยบอกเล่าและแนะนําสิ่งต่างๆที่ได้ทําเล่าสู่กันฟังแปลกมากแม้ครั้งนั้นจะเป็นการต่อๆ คุณหมอในนามของชมรมกัลยาณธรรมก็จะสนับสนุนหนังสือร่วมแจกเป็นธรรมทานด้วย เรียนเชิญองค์บรรยายธรรมะที่เป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติ ครั้งทั้งที่ท่านก็ต้องเดินทางมาจากเชียงใหม่ สุดท้ายที่ทุกคนประทับใจที่สุดก็คือที่หนังสือเอยคนธรรมะซีดีบางครั้งก็มีๆเครื่องต่างๆที่มีคนใจ 4,000 คนทุกๆท่านก็ หนังสือแต่ละเล่มที่ได้รับนั้นได้รับการกลั่นกรองจากมือน้อยๆดวงตา เท่านั้นเท่านี้และต้องเสียเงินค่าอย่างฟรีหมดแต่ถ้าใครเกิดศรัทธาจะร่วมทําบุญนั่นก็ของแต่ท่านทีมงาน ให้ธรรมะมาทําประโยชน์ต่อสังคมมารับใช้พระพุทธองค์ในการ หากมีการมาขอรับบริจาคหรือมีจดหมายๆแต่มี ได้เดินตามรอยของ ดร. สนองวรอุไรในการนําพระว่าเราคิดเหมือนกันนะคะคุณหนิง ไม่เลือกให้แล้วก็เป็นสุขที่ได้ให้จะให้ความชุ่มชื้นแก่ใครใครเอาๆแต่สุขใจจากหนึ่งไป เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนต่อๆไปมือที่เป็นผู้ให้สูงกว่ามือที่เป็นผู้รับเสมอ เพราะชมรมไม่มีงบประมาณมากมายในการจัดจ้างแรงงานดังนั้นจึงมีครั้งสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทรงสอนให้เรารู้จักว่าฉันเริ่มมีว่าเราน่า เวลานั้นอาจจะมาไม่ถึงเพียงการคิดจะให้ก็เป็นสุข วิทยากรเวลาเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วๆทําไมมันเหงาคิด ไหวสนุกสนานทําไมเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราเป็นที่เรา เรเราก็มองว่าวิทยากรนี่สบายจังเลยแวะเวียนเปลี่ยนกันส่งไมค์แต่ เวลาที่กายมันเหนื่อยที่แม้ว่าในใจนั้นจะรู้ว่ามันเหนื่อยใจมันล้าแม้ว่าในใจนั้นจะรู้ว่าวิทยากรท่าน ที่มีจะจะดึงเราให้เกิดกิเลสโกรธโลภหลงมัวเมาไปกับหลายๆครั้งจนครูง่ายทําให้ ท่านเห็นแววเดินนั่งได้ไม่ผิดท่าทางเลยฉันเสียงดังฟังชัดตั้งอกตั้งใจ สิ่งที่ฉันได้คิดและตอบรับไปในการไปอบรมนั้นและตอบรับไปในการไปอบรมนั้นไม่ใช่ว่า ยากจะเป็นวิธยากร�นะคะ เพียงหวังว่าอยากจะได้รับข้าย ตอบแทนบุiation ทั้งสองท่านที่ได้อบรมฉันจนเป็นผู้เป็นคนและก็มีชีวิตที่ปกติขึ้นและตัวฉันเองก็ไม่ได้ทํางานอะไร ที่จะนําตนมาทําประโยชน์เพื่อสร้างบุญกัลยา ตื่นเต้นเห็นสถานที่เต้นเห็นสถานที่ครูนั่นสอนว่าวิทยากรไม่เอาแล้วกลับดีกว่าบ้านของเราพอเดินกลับ มองเห็นอาจารย์ยายเดินเนิบเนิบมาช้าๆน่าสงสารคุณ เพิ่มเมตตาเป็นครูได้คุณ 81 ปีพูดเต็มเปี่ยม 50 ปี คุณยายเฝ้าอบรมโยคีแม้ในช่วงหลังๆคุณยายจะใช้ VCD ที่ได้อัดบันทึกไว้ในการ และได้มีโอกาสรับใช้คุณยายเวลาที่คุณยายไปจัดอบรมที่ต่างจังหวัดที่วัดแดนสงบโอกาสรับใช้คุณยายเวลาที่คุณยายไป เราเองก็ได้บุญนะลูกมาช่วยยายนะลูกยังจําได้ในความเมตตาของคุณยายเรณูที่มี และแปกที่แปลกทางแปลกที่แปลกทางเหมือนคุณยายจะทราบว่าฉันไม่เคยจะไปไหนไกลๆโดยไม่มีสามีมา แล้วก็บอกว่าก็บอกว่าไปไปช่วยกันนะคุณยายท่านจะดูแลเอาใจใส่ท่านสังเกตว่าฉันไม่ นานุ่มนุ่มยายให้หนิงใส่อากาศหนาวนี่ยังใหม่ๆอยู่นะยายใส่ไม่กี่ครั้ง ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน 2:30 น. เกือบจะ 3:00 น. ถึงจะมาถึงห้องนอนคุณยายและ ไม่เป็นไรลูกยายรอหนูเดี๋ยวหนูมองไม่เห็นจะหยิบจะอาบ มันเป็นสเปรย์ที่กันไม่ให้ยุงหรือแมลงมาเข้า ในสถานที่ฉันยังอดรู้สึกไม่ได้ว่าทําไมคุณยายจะต้องมาทรมานตัวเองขนาดนี้ห้องน้ําก็มีโถชักโครกก็จริงแต่ อาบอุทาหรณ์ไม่มีแอใจหลายครั้งไม่มีน้ําอุ่นไม่มีต้องตักน้ําอาบจากถังที่รองไว้แล้วก็เป็นน้ําบาดาลแต่ทั้งคุณยายและอาจารย์ปิณสิริ มาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้มาท่องเที่ยวการทําความดีนั้น ฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิทยากรได้ไหมกลัวทำผิดกลัวโยคีรู้ว่าๆแล้วก็จะ เชื่อยายนะไม่ต้องไปอบลมหรอกของอย่างนี้มันต้องทําไม่ใช่ขนมนะจะได้ไปอบไปลมแล้วก็ คุณยายจะมี 2 ใบใบนึงต่างๆมาแจกจ่ายแบ่งปันๆคนที่มาร่วมงานทั้งแม่ พอเท่าที่มองคุณยายจะหยิบยื่นสิ่งลูกๆของฉันก็รักแล้ว ก็คิดว่าไม่อยากจะไปรบกวนคุณยายเดี๋ยว เห็นรออยู่ไม่เห็นมหาว่าเหมาะสําหรับหนิงรอ แม้วิทยากรน้อยๆอย่างฉันยังได้รับ 19 ของชีวิตชีวิตนี้น้อยนักเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ฉันจะเข้ามารู้จักการภาวนาฉันไม่เคยไว้ แล้วก็มีในพระไตรปิฎกจากการกําหนดมาเร 6 มาเถอะค่ะ จังหวะที่ 1 ยกส้นหนอเดินยกส้นเท้านิดหน่อยปลายเท้ายังแตะพื้น 2 ยกหนอยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งยืนด้วย ที่เริ่มเรียนรู้เข้าโรงเรียนเริ่มเรียนรู้เข้าโรงเรียนหาความรู้ด้วย จนถึงถึงจุดสูงสุดของชีวิตบ้างก็แต่ง 4 ลงหนอเท้าที่เคลื่อนไปจนสูงสุด 5 ถูก ปลายเท้าแตะพื้นเท้าแตะพื้นเปรียบดังไวัชราเริ่มเข้าครอบ 6 กดหนอฝ่าเท้าเรียบแนบ ดินน้ำลมไฟมาเถอะค่ะมาเรียน มาวันแรกตื่นเต้นเห็นสถานที่มาวันแรกตื่นเต้นเห็น แต่เลยอยู่ต่อด้วยท้อและอดทนเลวที่มีไม่เพียง 4 เริ่มเข้าใจอะไรบ้างเห็น ตกลงใจจะมาใหม่ใจจะมาใหม่ใจใสๆเริ่มสงบพบแต่สุขต่อแต่